เรื่องให้ลุกขึ้นสามเรื่อง185สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาตภิกษุทั้งหลายจึงช่วยกันพยงให้ท่านลุกขึ้นท่านถึงแก่มรณภาคภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอาบัติปรารัญชิกอนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพรงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไรพวกข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะฆ่าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่มีความประสงค์จากฆ่าไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่48สสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จากฆ่าจึงช่วยกันพยุงให้ท่านลุกขึ้นท่านถึงแก่มรณภาพภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่า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 ภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จากข้าจึงช่วยกันพยุงให้ท่านลุกขึ้นแต่ท่านไม่ถึงแก่บารณภาพาภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอบัตปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบร่งตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอคิดอย่างไรพวกข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จากฆ่าพระพุทธเจ้าข้า พิสษุทั้งหลายพวกเธอไม่ต้องอบัติปาราชิกแต่ต้องอบัติถุละใจวงเล็บเรื่องที่ห้าสิบ